้าจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีทิ้งุิดหาไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำแต่ อ, อย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจกันดีจะรู้ทามากขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้น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 อยากจะทราบความจริงแต่ทำอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนี้ยพอใจที่จะจะพิปฏิบัติเพื่อรู้ทำมันเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนความสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบุบบุนไปได้เท่านั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญ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 การเลียงธนาก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดอดร้อนให้แก่ตัวของเราเองธรรมะทั้งกรปรงสมรมะที่ตีธรมารทั้งกระโปรสงสบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาแหลมขบสรรมาวาาิชาสรรมากรรมวิตรธรรมะเชียวนี่ก็ออกมาจากนั้น ออกมาจากสมาทิสิสมาธิงอบโตเป็นผู้ชนะในการเรยี่ยงทมาสัมมาสังกปุโยสัมมากรรมันโตทํทำการงานทอบอาจเฉพะ อ, อย่างยิ่งงานแก้ที่เหละแเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติโตขงหลงลร า, าไม่ว่าครบไม่ว่าคารวสไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหล็แ ล, ล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุด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 ไม่ใช่สงบแล้วครัล่อยผิดกลุ่มเพื่อเหินไปตามนิมิตอะไรต่างๆเยมองไปดูสวรรค์ข้างธมั่งนี้มังไปดูนรกมั่งไปดูสวรรค์มั่ง น, นรกอยูในหัวใจไม่ยอมดูมผิดมาทิพผิดในลบถึงนั้นถึง น, นี่ไปเทีเยบดูไปวาดภาพหลอกเองไปเรื่อยๆมาดูใครมาดีสวรรค์นั้งท่านนี้ท่านพรมไปเรื่อๆยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มี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 ผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกเพราะพเมตตาจริงๆเราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปว่าตามคำภีใบลานมอบไปว่าตามวัดตามวาตามพระตามโน่นตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเพี้ยเรายอมอยู่เฉยให้เปผม้มีส่วนเกี่ยวข้อง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 รูอ่กจะไปผ่าตัดสปัญหาม่นานาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดอยาตัดสปัญาที่เด็กเนตัวความยังตามยี่งปทุนักนันจะกล้าสามารถปวดรุบปวดฉลาดจะผาตัดสปัญหาอะไรบอืงนั่นไม่เร็วกวบาสัตไปแล้วเหรอมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนการเรื e. ame, ่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหัวใจมันต้องมาคิด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 โรคของเราจะได้หายโรคใจนี้จะโรคสําคัญโรคกายนี้เป็นธรม ร, ธรมดานธรรมดานแต่โรคใจนี้มันไม่ใช่ธรมรมดานแล้วนะมันรุนแรงมากเกลียดใจตลอดเวลาถ้ามันก็้ยาผ่าตัดนี้ได้หายโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นจิตเอาละการแสดงความเป็นธรรมนี้ ใช่ใช่ไม่ถันว่านี่ทรมารยิเลศเรรดาตอนตอนทรมารยิเลศนักเลงไงตลมารยิเลศยิเลศไม่ทรมารย์เราบ้างหรอมันก็เอาบ้างแต่วลาเราเอาบ้างมันเอาบ้างหลือมันเอาจนขี้แตกห่ะนี่แล้วเอาคนขนาดหนาเอาขนาดนี้เราจะม็ตอนบ่ายวันนี้นะไอยิเลศทรมาณเราแล้วมันเอาจนขี้แตก ให้เราทํารมานเขานิดหน่อยแล้วออกข้ามนยังไงแต่นี้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่านี่ยังมีะนะวากันแายแล้วาแต่เฮ้ยๆหลอกว่าเราอยู่ภายในเราเราอยากขบขันมีหลายแง่เนี่ยที่คุยทั้งเขาพูดค้างทั้งหลายด้วย ไ, ไม่ได้หมายถึงน่าจะพูดเรื่องนิยมเยือนน่าจะยกอันนี้เป็นเหตุถ้าที่เนี้ยถ้าอะไรอยู่ด้วยกันนั้นเราได้ฟังหมดเรื่อ ง, องขบขันไปด้วยกันหมดวันนี้เอาเอ่ายอดย้อนไหลตลบครบทวนเนี่ย เรพกพกขันขันไนั่นแหละออกจาก น, นั้นเนี่ยอาไปที่จีน่าอีกท่านตลาลวันที่เหลแล้ววัน่นี้ท่าจะสดงีอะไร่านะตละวนันที่เหลืยังไงม่ทราบตอนวันพรุง่งนี้ท่านสดนี้แล้วมันก็ไปบนอีกเราคิดเลยต้องวกันใช่ไหมคือาคิดไปหวดนันแหละเวลาม่าได้ิดแล้วมันตาอมันเองขอนั้นวัสารุปความที่พวกนี้พวกที่เหลยอเหยียบ เราเป็นขี้แตะมันเหยียกตรงนี้ด้วยมันเยียดงนี้ด้วยแล้วมีถ้าเยอะได้ล่ะเขามีจะมีองเยานี่แหละเราก็่างนั้นเราทาตานี้ถ้ามีมีองคเยานี่พอตลอดวันยุเนองนั่งเหมือนใครก็แด้ออกมานี่นะเราทำตานี้ด้วยนะก็มีองค์นี้ดิวพอสมควรเราพูดองนั้นเมีองค์นี้ที่อกค์พอสมควนบ้างในวันนี้ทั้งหมดเราก็่างนั้น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 มีหลายเงิ่นที่ตงตั้งมาตั้งมาอยู่นี่เห็นมอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้อุดมพระตลอดนักในรยนี้ประชุมก็ไม่นานเพราะวันหนึ่งนีราชเทพประชุมท่านนั่งอยู่น้อ่าท่านหูหัวนี่เทพก็ไม่ได้ยินาะวันหนึ่งจะเข้ามาคววนี่ทันปุ๊บป๊อบมาอะไร ผมขอโอกาสท่านอาจารย์่ไม่ได้ินเดียวผมรู้สึกจะอาภัพว่าไงมันอาภัพอะไรวาดี่บอหัวเพรว่าอาจารย์เทศไม่ได้ยินเลก็ท่านตาภัพท่าทไม่ต้องปฏิบัติตามเรื่องอาภัพเหอก็มาไม่มาฟังใกล้ๆหรอวะนั่นสิคอีกบกันกงนันสิตอไรท่านมาฟังใกล้หน้าท่นหูหัวนะแต่มันอาภัพงายก็แค่สาภาพมันพอแก้ได้นี่นะอาัพอย่างนี้นะระหว่างนั้นนะ ไปท่าน ก, ก Guys, ็ภ like ูพ <laughs> ่กลับไปตอนที่เข้ามาเนี่ยที่นี่พอวันประชุมมานหลังพูพ่อใจสมังไหนใจผมนั่งอยู่ไหน่ะนั่งที่นี่แหละราว่างนั่งทานาันเนี่ยนั่งอยู่นี่เลยพอาะใจจบเรเต็งไงได้ยินได้ยินท่านไหมออกรับวันนี้ทักประมาณนั้นเข้าใจไปทุกวันทุกบายหน้า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 ชื่อที่สุดคือชื่อที่สุดเชิ้อที่สุดท่านได้พูดแบบซื่อและเชิร์ที่สุดเหมือนกันอื่เ้ากรมเล่นได้ทุกอย่างให้งานเล่นอะไรตกม ท, ทุกทุกชั้นของจิตใจนิสัยวันหนึ่งก็มีโยมหนึ่งน้าห น, น้าเป็นทางด้านตรงตกว่าตอนช้าตอนดินากผ่านนี่กับคนชื่อเหมือนกันคนนี้ดี มันโคบอะไอเรื่องของป้อนสมองท่านไม่เคยสนใจอะแต่ท่านบอกคงจะพูดมีความหมายอะไอาจจะเป็นการทดลองทดลองดูเขาก็ได้นะถ้าท่านจะพูดก็จะชื่อกขาชื่อมีคิดนี้ประมาณคือคนเคยบวชเป็นพระแล้วจึกระเขาเรียกคิดนะคิดนี้ะครับประมาณหน้าอยู่ นั่นละ่ะมันมีข้าหมอมางไว้ละ่ะโห้ ม, ม, หมีไม่อกข้าหมอไม่กินไปไหมละ่ละโอ้เด็กเขากินกันทั้งโลกเลยครับบมอเขากินกันทั้งโลกเลยเท่านั้นและแล้ไปออกไปไม่เกิดอ่นี่เรองทู่อันานเขายอมเขายูา้เื่องวิสิใหญ่เอาไปทมาสร้าคขึ้ ไม่ว right right right so ่าอังไม่ผ่านยทีาคอยููว่าคลิปเมเนี่ยแต่จเอามาเมอกมาขายางอยู่นะถ้าเป็เงาจะเอามาจะจะลิปเม่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่ถึงแจ่ะไม่มีไม่มีแค่วัมาเลยถ้าจะว่าวาวานของขวายข้างข้างทั้งเ้อีกแล้วยู่ว่ากหมอมีอยู่ตรงไหนเนี่ยผ่านว่างานย่าตั้่านอย่างนั้นว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนั้นโอ้น่กงเอ๊ม่หนั ล้วมันมีลูกก้อนไหมอ่ะมันไม่ลูกต้อนนี่นะเพอาน่านี้ไม่ออกหลังเงี้ยาะภาษาเนี้ยต่อที่เขาอือตอนนมาท่านจะม่สู้เรื่องยังท่านันมาหน่ะที่ท่านเรืยองคนเจริญ我也明白了ท่านอัรรย์แล้วเขารื่งอัศจรรยนพิจารณาอะไรนเที่ขงท่านเราโอเราไม่กล้าหลังั้นนะ แล้ว้าอา จ, จะเยีมเกง่านจะมั่นนะข้าไปหลายวันกันประมาณ็คือห้าวันเท่า้นไอ้อออสมอเน่ยน่ะไอ้ตัว น, นั้นเปี้ยวมีไหมนั่นน่ะท่านหลายครั้งแั้นนะฮึมจนเปรี้ยวมันจนมันฝักฝักกลมกมไม่ดีอ่ะน่ะท่านท่าขยายมานนะ ไอตอนนี้เที่ยวเที่ยวฉันนี่ดีมีแ ม, oh, ม่โว <laughs> <laughs> ่อ๋อมีแม่อดไม่เลยสามวันแ ม, <laughs> <laughs> ม่อดเทีายวไหนเนม่ยไม่แต่คือตอนนี้ขยายมากนะใช่ไ <laughs> หมครับนักโบราณวัตถุคนเรานะออไอตอนนี้นเที่ยวเที่ยวฉันนี่ดีหน่ะมีแม่มนะีไ <laughs> ม่มอดมีจะแม่มอดอยู่เรื่อยเรื่อไม่เ <laughs> ลิกสามวัน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 มปวดทงสามวันเราก็ได้ฟังทุกวันเ่ยเฮ้ยของท่านการเย็นๆนถามปถามาน้ำซีตรงกบวันนี้ก็เลยไม่ไม่เคยหมอจะมาถึงไม่เคยจะเอาให้หมอมาเลยยิงหายอย่างเี้ยแต่ไมอดทั้งนั้นค่างค่างค่างที่สามคงที่ ชักสิทธนะสำหรับคนโง่ก็ชักรอาจารย์พาจาร่ามันนะอือนี่เป็อย่างว่านะเพรมันไม่ใช่คนโง่ถ้าไม่โง่พราะถ้าไม่รูพทยเสียมแพย์เก่าแล้วมันก็ไม่ถึงอย่างว่านอาจารย่าแพทยจเ่าแพวยเสียมต้องขดลงท่านนะนี่ะือความจริเยี่ยมันี้ใช้ท่านใช้มันโอตามไม่ทันนะไม่ใช้ท่าน ๋ยวกับบุคคลนี้เป็นนาราล า, ลาเลยไม่ห้าวะ่ะคนนั้นเป็นยังไงนี้จะต้องเป็นไปแต่มันจ่มันแตนมันไม่มีทั้งกัน่ะฉันจะมาปฏิบัติกับคนคิดว่าโยวามสลัดแล้วผมก็บูกวนี่พอดนีน้องสาวมายืมด้น้องสาวล่าน้องสาวติดท้องด้วยคือติดท้อ ง, ท, งทั้งหญิงทั้งชานคนนี้เป็นคนติดท้องมานันถึอนะ่ะที่ตมาเยยบไดังไง พอมาที่ศาลาเราถามเรื่องราวเลยทราเรื่องราแล้วคนมาเยี่ยมพูดภาเนทั้งน้องสาวคือน้องสาวมาเยี่ยมมาจากอ่ีวันเลว่างั้นสุคงีวันหลังนั้นมันตามมาแล้วแหละยังเหลือคนเยอะนิดละว่างบมาหัง้นอีวันลว่างั้นีนั้นอนี่ธรรมดาต่างราเราอย่างนั้น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 ที่พอน้องสาวกล่าวว่าชิคพักหายเงียบเลยไม่ทราบไปไหนแปลกเหล้วเนะอาจารยวันเนี่อาจารั์ตรงนี้เวลาคู่กับน้องนี่โอ้โหคำพูดหมายก็ว่าที่ว่าพูดแบบคาราะไม่ได้หมายถึงว่ายานะคือกิริยาชกิรยาเหมือนคาวะเหมือนพี่กับน้องจริงๆอยู่ในโคเรือนกันว่างั้นคเรนเดียวกันคุยกันอยู่ในโครียนธรมนาธรรมดาธรรกิริยานี่เปกิริยาที่กับน้องที่ไม่เคยบวชเลย านนี่นะสมาัตมืออ่นนี่ตงต่เตาเยอะด้านเนี่ยนี่พอน้องสาวเขาไปแล้วหาย้ไม่เอะึ่งจะตากดว่าขนาดเดียวเท่านั้นที่น้องสาไปเยี่ยงกียาเขาจี้ยาท้ากันในพเรีน้องท่านเนี่ยเราคุยกับน้องทเป็นนี่แต่ก่อนเขาเคยปฏิบัตินี้กับน้องะีนี้มาใช้ียามาใช้เพื่อมันเหมสกับน้องนี่ยไม่งั้นน้องจะคิดอะไรต่ออะไรนี่มันจึงต้องเอาจีอยามาใช้เพื่อให้มัน เหมกับน้อ้วน bon bon ้อง bon <Silver. S 1> ีความอบอุ่นมาอะไรอะทำนองนั้นน่ะเห็นว่าท่านฉลาดทีเหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามีกี่องค์พูดไม่เหมือนกันอง้คงเป็นทั้งที่อยู่กับท่านมันเป็นประมอุาจะยือยาจะอาการนั้นการแสดงออกต่อองค์นั้นนั้นไม่เหมือนกัน คือกรูอาจารย์หาท่านเหมือนกันเด็กครูอาจารย์แต่หาท่านอยู่ก็มายความวผูู้อาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ใหญ่ทู้อยญ่ที่เป็นท่านการท่านอย่านี้ท่านตังขาวหรือใครอันนี้เป็นต้นอย่างนั้นเถอะผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ผนี้ไปจะเป็นผนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเป็นไม่ซ้อไม่มีใครที่จะสามารถรับขายข้อทั้งท่าได้ ก็ท่านจำได้ร่างแ่ก่นอนจะมีเทปสนุกมากกว่า่อนไม่มีเทปเยองเหาหาวบาลมาเยี่ยกันไหมแต่ความจริงจะหาอะไรไปถวายท่านอันนี้ให้ลึกรับภายในท่อาารมาปกติอาจารยมีส่งังนมีความรักท่านอมื่อะไรถูกคาสถูกผ่นท่านเรารู้มรู้หมดรามาเราก็ อยากให้โยมหาเอาของที่เราต้องการให้ทำนั้นทำนั้นทำนันให้เราไปเวลา จ, จะไปให้ยมแ ม, ม่ก่อนหรือก็ป่องมะขามมะขามขูบแล้วปอ ก, า ก, าปกปอเอาเม็ดมันออกด้วยออกเอาแต่เนืน้นอๆไปเราก็ต้องวนไว้ขวายทันโดูเฉพาะดยเฉพาะกับน้ําตาลอะไรเรืกยนอยๆน้อยทุกวันทุกวันให้ใครไปแกะกล้องน่ะยิ่งไปของแม่เราด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่ง ห, หงงหงงคนเรา เ, เวรนั้นแหละ มันเข้าตัวเรือเหมือนเลยอืมเร <c oughs> าห้าดูการเนี่ยรอกตอนนั้นมันพามันหายอย่างเ น, นี่ยพาพาได้บ้านเนี่ยในบ้านที่เราคอเองเนี่ยห็นแม่ขอเป็นพระขาวเนื้อครบฝ า, า, ากถวาท่านการเรอนี้วาทนาที่เราดะไปฝาบท่านห น, น่อยเราอขอฝังนี่ไปถวายท่านการอ่างนีน แต่ทําก็แล้วแต่จม่ารทุมเรจเท้าอพอใจทั้งนั้นขอไ้าท่านก็แล้วกันเออกไปพระก็ปราเรียนท่านจตุคุาเพราะผ่านนี้จะยมแม่สั่งมาถวายท่านการแล้วท่านการจะใช่ไงเมตตายมแม่แล้วยแมนมูแม่เป็นที่พอใจจะจมานเสทมเรจเท้าอะไรพอใจทั้งนั้นขอท่านการเมตตาพอแ้มาเอาผ้า โยมแม่ทำหาหนัา้ือนนะตัดทิงที่นอแต่ทำเป็นที่นอ น, พ, น, อนพอพอดูท่าท่าที่ยวไปนั้นพอดีทึ่นอนพอทำานแล้วโอ้ยเราก็อยาจะขหอโอยดวงฟ้าม่มีิ่ก็อยาจะเหาะนั้นเราก็ดีลูกโยมแม่อยู่อ่ะโอ้าเรนคบอะไรนะเปลี่วว่าข้าวหนึ่งทันทีทันไดเลยปกรากว่าก็ทำดัดแตนั้งเป็นที่นอนให้ท่าน ทังกา น, นอนนั้นจงกระทั่งทางรรา่านมรณภาพวันมรณะภาพเขาก็มรณะภาพกันาาาานั้นเลยคือ เ, เอาไปด้วยวออนี่ท่านไปโน้มเอาไปด้วยเราเขกับาผ่านนั่นนะี่ว่าไงมันมีวันนียาอยู่ในร่านหนะอะไรตัวอะไรก็เรียกว่ตัองทั้งทางรรา่านมรณภาพก็นอนอยู่นั่นเลยมรณภาพที่กุ้งนั้นอ่าสุดท้ายแต่เวลามาเจอจรงอ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 คือรางเท้าหนึ่งมันนอนยันใดมันตลอดพอพอสว่างแล้วก็หนีทุวันทุวันันกําลังหน้ารักมันพงรอบปีนแค่ปีนทกวันหนึ่งพนฝนมัจะปล่อยมานิดหน่อยเขาลอื้ออืออื้ออื้ออื้ออื้่นื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออม้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้้นมานออ้ออ้ออื้้นมา้ออื้อ้ออ้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออืนออือ้ มืนนที่นครับผู้บ้าข้นอนที่นี่คือขึ้นมาเนี่ยเป็น ม, มันจะตัวมุกอย่างนี้หญนึ่งเป็นจตัว ม, มุกันไดขึ้นมาเ น, น, นี่นะสส ม, ม, มันอมนอนแล้วผมันก็มาตกผุ่มพอกำลังพอหงมเย็นเขาขึ้นมานอนทุกวันนอนตรงนั้น่เขาคงจะคิดยังไงไม่นรานตอนพอเราลงไปเพราะหนึ่งพอเราลงไปหานาจมาเราสูบเขาขึ้นมนันก็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 มึงเขานอนทำสมายอยู่นี่น้าแหวมกูไปนี่ก่อนกไปก็กำบังดูแล้วก็ลงก็คุยกับท่านมามาต้องปลุกต้องมาที่ไหนได้ที่นั่งเรามีมีอาสนะมีอะไรเนี่ยคขาขึ้นไปนั่งมันจะนอนวนอาสนะโถแหวมทำไมทุานถุงนั่งก็กโดดลงมาเราก็ทาไมก็อะไรเแราะตระเวนแหวมถุงนังวันนี้เขาก็พูดว่าเขารูกผีเหมือนกันที่นี พอเห็นเราไปทาไมแหวมมันแขนงถุงรางวัลนี้ฟุ๊กมาเลยมาที่นั่นอ่งเราไม่ว่าอะไรเขาก็คงคงไม่ผิดคงว่างนั่นน่ะนะถ้าเป็นไทยรนี่คงมาผิดว่านะไทยฟังมดีนะให้วนน้ำอีกแล้วกไปหาใจมาหาตุกแตงนี้ประตูเราให้ปิดเราลองอะไหลองอนไห้อง เขาเดี้ยแวอปั๊บลมาม้ว้าพลมามุกอัศนะของท่านจันมั่นเราว่าาันมั่นเลยไปแล้มองเห็นตาตาใสแวมมาแล้วปุ๊บปออกมาคว้เดอดหางดึงว่าถึงแล้วฝมือใสจะตุ๊บึงมงได้เปนเี้ยวแวมโดดล้มไปเฮยตอหลังมาอี้ี้อยู่เงี้ยฝนตกอี้ีตามเถ่อวันนี้ไม่เอายาวม่อางวันนี้เพาก็ไม่นอนใต้ถินอ่ะคือใต้ถึงไม่ใช่ใต้ถิ่นใรนะ้ถิน เลยบนได้เขามาไม่นอนเวลานตงนะ้างอมันนั้นเราเราไม่ไม่เขาขึ้นเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นขืข่ออยาหลังเรากลัวเขาตกตายไม่ใชหรือครับผมหมูน่ะแยมกรณีปู๊บปุ๊ทะลุสทธาคือแยมที่นอนท่านจันมั่นน่ะมีหยมนั้นทะลกสิ้นพายให้ห้องนีนะ ี่อสอง ม, มัหาไม่รู้เพราะมันม่เก่าแล้วเนี่ยเพราะมันสนต่อมในเดือดนข้ามมาเช้ามันก็หลายทีอ่ะท่า ม, มนคงจะขาดถ้าเราทลองเมตตาจริงๆผู้ที่องทำนเมตาตาของเนี่นะ